เรื่องอุ ก, กันธิกะภิกษุพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีแควนโกศลทรงปรารภภิกษุผู้กระสันจะศึกรูปหนึ่งดังได้สดับมาบุตรเศรษฐีรูปหนึ่งเข้าไปหาพระเถระผู้เป็นชีต้นคือผู้เข้าไปสู่ตระกูลของตนเรียนปรึกษาให้บอกทางพ้นทุกข์แกต่ตนสักอย่าง พระเถระแนะนําให้ถวายทานสลากกับพัดคือพัดหรืออาหารที่ถวายตามสลากปักขิกัพัดพัดที่ถวายในวันปักวัดสาวาสิกัพัดพัดที่ถวายแก่ภิกษุผู้จําพรรษาถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นแบง่งทรัพย์ของตนเป็นสามส่วนประกอบการงานหนึ่งส่วนเลี้ยงบุตรภันยาหนึ่งส่วนถวายทรัพย์ไว้ในศาสนาหนึ่งส่วนบุตรเศรษฐีรับแล้วทํากิจทุกอย่าง เ้าขอทราบว่าบุญอะไรที่ยิ่งกว่านี้เล่าพระเทระแนะนำให้รับรายสารณคมและศีลห้าศีลสิบเป็นลำดับเพราะเหตุที่เขาทำบุญตามลำดับจึงมีนามว่าอนุปุพพเศษธีบุตรเขาได้ถามต่อไปอีกว่าบุญที่พึงทำยิ่งขึ้นไปมีอีกหรือไม่ถ้ากระนั้นแล้วเธอจงบวช ออกบวชแล้วเรียนพระอภิธรรมกับพระอาจารย์ชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำรรกิจนี้จึงควรทำกิจนี้ไม่ควรส่วนพระอุปัชาก็สอนปัญหาในพระวินัยว่ากิจนี้ควรกิจนี้ไม่พึงควรเมื่อได้ทราบพระธรรมวินัยดังนั้นจึงอยากศึกจนสู้ผอมพลางคิดว่า อกกรรมนี้หนักหนอสถานที่อันลเอียดมือไม่มีเลยสำนวนนี้แปลว่าไม่มีเวลาเป็นของตนเองหมดความยินดีในพรหมจันทร์ไม่ทำการสาธยายในอาการ32ไม่เรียนอุเทศพระอาจารย์และอุปชาได้พาท่านไปยังสำนักพระาศาสดาพระาศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุ ถ้าเธอจักสามารถรักษาเพียงสิ่งเดียวคือข้อเดียวเท่านั้นจิต ค, คือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือย่อมไม่มีเธอจักอาจรักษาจิตของเธอได้ไหมแม้กระนั้นเธอจงตามรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกได้ทรงตรัสพระคาถาว่าผู้มีปัญญาพึงตามรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่ เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้ในการจบเทศนาภิกษุบรรลุโซดาปฏิพลแล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโซดาบันเป็นต้นเทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนดังนี้และสาหรับเรื่องนี้เนื่องด้วยพระธรรมวินัยนั้นมีกฎระเบียบมากมาย ท่านจึงรู้สึกว่ามันยุ่งยากปฏิบัติตามไม่ได้แล้วอยากศึกแต่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าให้รักษาใจเพียงข้อเดียวก็ได้